ในปีพศ2521เราบวชเป็นสามเณรน้อยที่วัดป่าสาลาวิเวกอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นวัดป่าที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองถนนหนทางเปล่าเปลี่ยวไฟฟ้าไม่สว่างห่างไกลจากผู้คนและลุดลาผู้คนส่วนมากไม่ค่อยกล้าเข้าไปที่วัดนั้นช่วงกลางคืนยิ่งไม่มีคนเลย เราและเพื่อนสามเณรอาศัยอยู่ที่วัดป่าราวห้าถึงหกรูปทุกๆเย็นจะต้องเดินไปเรียนที่วัดศรีบุญเรืองตำบลในเมืองทั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึงสองทุ่มเป็นประจำพอเลิกเรียนพวกเราก็เดินกลับวัดถ้าเลิกไม่พร้อมกันเราเลิกก่อนก็จะเดินกลับลำพังรู้สึกเฉยๆมากกว่ากลัว เพราะเดินจนชินแล้วเส้นทางระหว่างสองวัดนั้นมีสมล้อปั่นรับจ้างสำหรับผู้ต้องการความสะดวกอีกด้วยอยู่มาวันหนึ่งเราได้ทราบข่าวว่ามีรถบรรทุกสิบล้อชนคนปั่นสามล้อตายคาที่ชาวบ้านเชื่อว่าคนที่ตายโหงต้องนำศพไปฝังที่วัดจนครบห้าปีจึงจะขุดขึ้นมาเผาดังนั้น ศุคนทีบสามล้อจึงถูกนำไปฝังใกล้ๆกุฏิที่เราอาศัยอยู่ขนาดนั้นกุฏิในวัดป่าจะสร้างห่างกันมากและข้อบังคับของท้งวัดก็คือห้ามอยู่ด้วยกันคือกุฏิหนึ่งหลังจะต้องอยู่คนเดียวคืนหนึ่งหลังจากเลิกเรียนเราติดทุรลากับเพื่อนสามเณรในวัดศรีบุญเรือง พูดคุยธุระกับเพื่อนเกือบสี่ทุ่มก็เดินทางกลับไปยังวัดป่าช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาดึกมากแล้วก่อนถึงวัดป่าราว1กิโลเมตรเราเดินมาเรื่อยๆท่ามกลางความมืดสลัวสองข้างทางมีแต่เสียงหมู่ไม้ดําทมึนไดินเสียงนกร้องลมพัดไม้หวีดหวิว ชัว่วในวังเวงใจยิ่งนักเราปลอบใจตัวเองว่าคงไม่มีอะไรเพราะเคยเดินไปมาคนเดียวบ่อยครั้งขนาดนั้นเองก็ได้ยินเสียงเหมือนคนปั่นสามล้อตามมาข้างหลังเมื่อมาถึงใกล้ๆตัวก็มองเห็นสารถีมีผ้าโพกหัวสีแดงสะพายย่ามใบโต ด้านหลังมีมีดเล่มใหญ่เขาเอ่ยปากทักขึ้นว่าเนนจะเข้าไปในวัดป่าใช่ไหมเราก็ตอบกลับไปว่าใช่แล้วโยมแต่แล้วใจหนึ่งก็นึกวูบไปถึงคนทีบสามล้อที่ถูกรถสิบล้อชนตายแม้เดี๋ยวนี้ศพก็ยังฝังอยู่ในวัดคนปั่นสามล้อเลยชวนเราขึ้นรถ แต่ก็ปฏิเสธไปบอกว่าจะเดินกลับเองเพราะไกลจะถึงวัดแล้วแต่เขาขยันขยอจนเราใจอ่อนตัดสินใจขึ้นสมล้อจนได้ตอนที่นั่งอยู่นั้นก็นึกสงสัยว่าเวลาเกือบห้าทุ่มแล้วสล้อคนนี้จะเข้าไปในวัดทำไมแต่ก็ไม่กล้าถามได้แต่คิดในใจ ตลอดทางเราไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยจนใกล้จะถึงจุดหมายเรารู้สึกว่าสามล้อค่อยๆช้าลงช่วงนั้นมีต้นไม้ปกคลุมแสงสว่างจากไฟฟ้าก็ไม่มีมีแต่แสงสลัวจากดวงจันทร์ในความเงียบเชียบเท่านั้นเมื่อถึงหน้ากุฏิคนทีบสามล้อถามว่า ถึงกุฏิหรื อ, อยังเราก็ตอบว่าถึงแล้วเราก็ถามไปว่าเอาเท่าไรโยมเขาก็บอกว่าไม่เอาหรอกสามเณรขณะที่ลงรถแล้วมองไปที่ใบหน้าของสารถียามดึกก็เห็นใบหน้าเขาดาปีเหมือนไม่ใช่คนเล่นเอาใจระทึกแต่ก็ตอบเขาไปว่าขอบใจมากนะคุณโยมก่อนจะเดินขึ้นกุฏิ รู้สึกมันมีอะไรบางอย่างทำให้เหลียวมองไปยังคนปั่นสามล้อที่หันหลังกลับคุณพระช่วยข้อปั่นสามล้อไปที่หลุมฝังศพแล้วก็เลือนหายไปเราสะบัดหน้างุนงงไม่แน่ใจว่าตัวเองตาฝาดไปหรือเปล่าหรือเป็นเพียงภาพลวงตาก็ได้เพราะขนาดนั้นดึกมากแล้ว กับมีแสงจันทร์สองสัวลวเท่านั้นเหตุการณ์แปลกประหลาดในคืนนั้นเราก็เก็บเงียบไม่ได้เล่าให้เพื่อนๆหรือผู้อื่นฟังแม้แต่คนเดียวรุ่งขึ้นเป็นวันพระคืนนั้นเราก็ไปเรียนที่วัดศรีบุญเรืองตามเคยขากลับก็กลับคนเดียวเหมือนคืนก่อนปรากฏว่าได้พบกับสามล้อคนเก่า และเหตุการณ์ก็เหมือนกับคืนแรกทุกประการเราจึงแน่ใจแล้วว่าโดนผีสามล้อหลอกหลอนเข้าจริงๆถึงสองคืนติดๆในที่สุดจึงนำเรื่องขนหัวลุกไปเล่าให้เพื่อนๆและเจ้าอาวาสฟังท่านอาจารย์จึงแนะนำให้เรากลวดน้ำแผ่เมตตาให้กับวิญญาณของสามล้อผู้นั้นเราก็ปฏิบัติตามคำแนะนาของท่านแต่โดยดี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็ไม่ได้พบกับ3าล้อผีสิงคนนั้นอีกเลยหวังว่าวิญญาณของเขาคงจะไปสู่สุคติแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ